จรามาราณะโสกะปริเทวะเป็นต้นได้ทรงแปลงอุทานขึ้นว่าเมื่อใดทาทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมิเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของกรางนั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ความสิ้นไปของปัจจัยคือเหตุทั้งหลายดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสรดและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระปูมีพระภาคภะอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะ ตั้งใจสลายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ได้ประทับนั่งสเสวยวิมุติสุขณควงไม้โพธิพุทธทรงพิจารณาปฏิจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้น โดยสมุทัยาวานคือโดยวาระเกิดก่อทุกข์ทรงแต่งอุทาน ในปฐมยามเห่งราตรีที่แปลความว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของปราบย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ทำว่ามีเหตุหรือเกิดแต่เหตุต่อจากนั้นทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยนิโรทวาน คือโดยวาระดับคือดับทุกข์ทรงเปร่งอุทานในมัชชิมายามเพ่งราตรีแปลความว่าเมื่อใดทมทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมิเพียนเพ่งอยู่ เมื่อนั่นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายต่อจากนั้นทรงพิจารณาปฏิจสมุปบาททั้งโดยสมุทัยาวาน ทั้งโดยนิโรธวนันทรงเป่งอุทานในปฏิมายามแห่งราตรีแปลความว่าเมื่อใดทาทั้งหลายปรากฏแก่พรามภูมีเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมสิน้นพรามนั้น กำจัดมารและเสนาสถิตยอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนภากาศดังนี้ธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้น อันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทได้แสดงแล้วตามเทราธิบายแห่งท่านพระสาดิบุตรและก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าก็เป็นการพิจารณา อริยสัจโดยพิสดานอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนา ว่าคือทุกข์ทุกข์กมุทัยเหตุเกิดทุกข์ทุกข์คณิโรดความดับทุกข์ทุกขคณิโรธคามินีปฏิบาัาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และได้ทรงอธิบายทุกข์ว่ามี ธาติทุกทุกขือชาติเป็นต้นสรุปเข้าก่อนในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทรงอธิบายยกเอาตันหาความลิ้นรนที่ยันยาม ทุกขนิโรธความดับทุกข์ทรงอธิบายยกเอาความดับตัณหาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงยกเอามักมีองค์ดก็เป็นการทรงแสดงโดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่าอธิษัท์ที่ทรงอธิบายดังนี้ผู้ฟังทั่วไปเมื่อตั้งใจฟัง ตั้งใจพิจารณาไปตามก็อาจเข้าใจได้และสามารถที่จะปฏิบัติได้คือปฏิบัติกำหนดรู้ทุกข์ ละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาทำให้แจ้งทุกขนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหาและอบรมปฏิบัติมักมีองค์แปดให้มันเกิดขึ้นส่วนในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นก็เลยเคยกล่าวว่า เป็นการที่ทรงแสดงอริยสัจโดยละเอียดหรือพิสดารและพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรก็ทำให้มองเห็นชัดว่าแต่ละข้อนั้น ก็เป็นอริยสัจสี่ทางนั้นทุกข้อไปจึงเป็นอริยสัจสี่อย่างละเอียดอย่างประณีตซึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายฉะนั้นจึงได้ตรัสห้ามท่านพระอานนท์ที่กราบทูลว่าปฏิจสมุบบาทนั้นปรากฏว่าง่ายแก่ท่านพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามว่าอย่ากล่าวอย่างเพราะว่า ปฏิจสมบูรณเป็นธรรมะที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกลุ่มลึกแต่ว่าเมื่อไม่รู้หรือตรัสรู้ปฏิจสมบูบาทก็จะต้องยังต้องท่องเที่ยว อยู่ในวัตรสงสารต่อเมื่อรู้ในอริยสัจที่เป็นปฏิจสมบูรณจึงจะทำทุกข์ให้สิ้นได้โดยสิ้นเชิงได้ตรัสไว้ ด้วยพยัญชนะคือถ้อยคำที่ท่านแสดงไว้รวมเข้ากองมีความดังที่กล่าวมานี้ในข้อนี้หากจะพิจารณาดูในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลก ทั้งโดยธรรมชาติทั้งโดยที่มนุษย์คิดขึ้นประดิษฐ์ขึ้นก็ยอมจะเห็นว่ามีเหตุผลที่สัมพันธ์กันซึ่งแสดงอย่าง หยาบๆทั่วไปก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อจะแสดงอย่างละเอียดก็ย่อมเป็นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นน้ำประปาที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ทำไมจึงจะได้น้ำไหลออกมาซึ่งเป็นตัวผลก็จะเห็นการทั่วไปว่าต้องเปิดก๊อกน้ำและเมื่อเปิดก๊อกน้ำน้ำก็ไหลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อ ดูเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดก๊อกน้ำเป็นเหตุน้ำไหลออกมาเป็นผลแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก็ยอมใจเห็นว่าเหตุผลที่มีน้ำประปาใช้นั้นไม่ใช่เพียงเท่านั้น จะต้องมีเหตุผลอื่นๆสัมพันธ์กันอีกมากมายจึงจะมีน้ำประปาไหลเปิดก๊อกเข้าน้ำก็ไหลออกมาดังจะพึงเห็นได้ว่าจะต้องมีการวางท่อประปา จะต้องมีที่ทำน้ำประปาและจะต้องมีเครื่องทำน้ำประปาเครื่องน้ำประปานั้นก็จะต้องมีสิ่งต่างๆมาประกอบเป็นเหตุเป็นผลที่สาคัญสัมพันธ์กันอีกมากมายและจะต้องมีน้ำมาเพื่อทำน้ำประปา และน้ำที่จะมีมานั้นก็จะต้องมีที่มาม า, มาจากไหนและจะเป็นน้ำขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหากจะคิดค้นหาเหตุผลก็จะพบเหตุผลที่โยงกันมามากมายจนถึงเป็น น้ำประปาที่เมื่อเกิดเปิดก๊อกเข้าก็ไหลออกมาดังที่ใช้กันอยู่ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเมื่อเปิดสวิตช์ขึ้นไฟก็สว่างเมื่อปิดสวิตช์ไฟก็ดับเห็นเพียงเท่านี้ก็จะต้องว่าการเปิดสวิตช์นั่นเป็นเหตุ ไฟสว่างก็เป็นผลดับสวิตเป็นเหตุไฟดับก็เป็นผลว่าเพียงเท่านี้แต่เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่ายังมีเหตุผลอีกว่าจะเป็นไฟฟ้าขึ้นมาใช้ได้จึงจะต้องมีการวางสายไฟฟ้า ต้องต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสิ่งที่มาประกอบเข้าต่างๆเป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กันอีกมากจนถึงเมื่อเปิดสวิตช์ไฟก็สว่างดับสวิตช์ไฟก็ดับปิดสวิตช์ไฟก็ดับดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในทางจิตใจ ที่พระพุทธเจ้าในตรัสรู้ก็เช่นเดียวกันเมื่อดูเพียงง่ายๆก็จะเห็นว่าเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีตายมีทุกข์มีโศกต่างๆ ดังที่เห็นกันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องตายและในระหว่างที่ดำรงชีวิตยอยู่ก็ต้องมีทุกข์ต่างๆมีโศกะปริเทวะเป็นต้นและคนโดยมากนั้น<ม>ก็ไม่ค่อยคำนึงถึงเกิด คำนึงถึงแต่แค่แก่ร้องทั้งเจ็บและตายเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายโดยไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องมีเกิดเป็นเหตุทั้งที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนว่ามาจะเกิดเป็นเบื้องต้น แต่ว่าโดยมากก็ไม่นึกถึงว่าตัวชาติคือความเกิดนั่นเป็นเหตุจับเอาแค่จะแก้แก่แก้เจ็บแก้ตาย แ, แก้ทุกข์สุขต่างๆต้องการที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้ทุกข์ต่างๆคือหมายความว่าให้เกิดมา นี่แหละจะเกิดมาเป็นมนุษย์เห็นว่าจะไม่สามารถจะแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ทุกข์ต่างๆได้ก็คิดเอาว่าจะต้องมีพพหน้าชัดหน้าต้องไปเกิดเป็นเทวดา เป็นพรมเป็นต้นซึ่งจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกเทวดาว่าอามอนที่ปแปลว่าภูไม่ตายคนโดยมากก็คิดแก้กันอยู่เพียงเท่านี้ แต่ก็ไม่สามารถจะแก้ให้สำเร็จได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้ทรงคิดจะเสด็ จ, อ อ, ดจออกทรงพรนันหนุนในพุทธประวัติก็แสดงว่าพระราชกุมาร พระโพธิสัตว์ได้เสด็จประพาสทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็ทรงน้อมเข้ามาว่าพระองค์ก็จะต้องเป็นเช่นนั้นจึงทำให้ ทรงในในทุกคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังไม่ไปถึงชาติและได้ทรงพอประภัยในความเป็นสมณะทรงเห็นว่า ความเป็นสมณะนั้นมีโอกาสมีช่องว่างที่จะปฏิบัติเพื่อมาให้แก่มาให้เจ็บมาให้ตายไม่ทุกข์ต่างๆได้จึงมีพระอริอทยัยน้อมไปในการบูตจนถึงได้เสดจออกทรงพนดและทรงเข้าศึกษาในสำนักของ ข, องขนาดจารย์เจ้าละทิทั้งสอง แม้ท่านคณอาจารย์นั้นก็คิดแก้ในแค่นันอีกเหมือนกันคือไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายโดยที่จะต้องปฏิบัติทางฌานสมาบัติแต่เป็นพรมตัวจะอยู่เป็นพรมตลอดไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งพระโพธิสัตว์ เมื่อทรงพิจารณาแล้วโดยที่ทรงปฏิบัติในฌานสมาบัติเพื่อจะเกิดไปเกิดเป็นพรหมนั้นได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ได้ทรงเห็นว่ายังไม่พ้นทุกในตอนนี้ก็แสดงว่าได้ทรงพิจารณาเห็นเข้าไปถึงชาติคือความเกิด ว่าเมื่อยังมีชาติคือความเกิดอยู่เมื่อว่าจะเกิดเป็นอะไรเมื่อว่าจะเกิดเป็นพรหมก็จะต้องมีุติคือความเคลื่อนซึ่งเทาพับว่าเป็นความตายเพราะฉะนั้นจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงค้นคว้าไปพระองค์เอง จนได้ตรัสรู้ในปฏิจสมบูรณ์นี้ที่ทรงแสดงสั่งสอนคือทรงพิจารณาจับทุกต่างๆมีโสกกระปริภัยวะเป็นต้นสืบขึ้นไป ก็ทรงจับมรณะคือความตายจับชราจับชาติคือความเกิดจับจัดจับพคือความเป็นจับอุปาทานจับตัณหาจับเวทนาจับภัทระ จับอาจตนะจับนามรูปจับวิญญาณจับสังขารจนถึงจับเอาวิชาได้จับอาสวะได้วิชาคือความรู้จึงบังเกิดแจ่มแจ้งขึ้นเป็นความตรัสรู้เมื่อวิชาบังเกิดขึ้น อวิชาก็ดับเหมือนอย่างเมื่อความสว่างบังเกิดขึ้นความมืดก็ดับเมื่ออวิชาดับก็ดับไปโดยลำดับคือสังขารวิญญาณนามรูปอาจตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปปาทาน ชาชรามรณะโสกับปริเทวะเป็นต้นทุกทั้งสิ้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะที่ไดตรัตสรูคือสัจจกความจริงที่เดตรัสรู สายเกิดสายดับและทั้งสายเกิดสายดับจึงได้ทรงแปลงอุทานขึ้นในราตรีในปัจชิมยามแห่งราตรีดังที่ได้ยกมาแปลไว้แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อใดทาทั้งหลายรากฏแก่พรามภูมิเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยของรามนั้นย่อมสิ้นไ ป, ปรามนั้นกําจัดมานและเสนาสถิตอยู่เหมือนอย่างดวงอาทิตย์สถิตส่องสว่างอยู่ในนาภาอากาศดังนี้มานนั้นแปลว่าผูฆ่าผูททำลาย